أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ب س ا ق و م ما لي أدع. و َ ت ا ل د و ن ن ي ل ن ا ر ت ا ر ف ت د ع و ن نيليكفر بالله وأشرك ي ه ما لا س ل ي و أ ُ ش ر ك َ بِهِ مَا لَيْسَ لِبِهِ لي عِلْمٌ وَأَنَا أ َ د ْ ع ك إلَى ع ز ِ ي ز ا ل َْ ا م ِ ع وَأَنَا أَدْعُو إلَى ا ل ْ ع ز ِ ي ز ولا في الدنيا وَلَا فِي الْآخِرَةِ و َ أ ن َّ م َ ا ر د َ ن َ ا إلَى اللَّهِ وَلَا فِي ا ل د ُ ن ْ ي و َ ل ِ ي آ خ ِ ر َ ة ِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا إلَى اللَّهِ ص ر ف ي ن ه م أ ص ح ا ب ن ا ف َ س َ ت َ ذ ْ ك ُ ر ُ ن َ م ََ ر َُُ م ْ ف َ س َ ت َ ذ ْ ك ُ ر ُ ن َ م أ َ و ل ُ لَكُمْ و َ أ ف َ و ض ُ أ م ْ ر ِ ه ِ ل َ ا ل ل َّ ه ُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِ إِنَّ اللَّهَ ب ص ِ ي ر ٌِ الْعِبَادِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ شوء العذاب، اللهم صل على بروعة شيا أن.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 Allahumma ن i k a arsba'hna wa b ي k a a m s a i n ك wa bika nahya wa bika namuto wa ilaika nushur Allahumma أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ك, ك مستطعته أبو ل ك ب ن ي م ت ك علي وأبو بذنبي فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إلا أنت ا, أ, إ, أ ل l a h u m m a bika أصبحنَا وَبِكَ أ َ م ْ س َ ا ه ن َ ا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةٍ إِخْلَاصٍ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و َ س َ ل َ م َ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إ ِ ب ْ ر ا ه م َ ف م س ل م و م ا ن م ن ا ل م ش ر ك ي ن أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ا ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شايوم في الأرض ولا في السماء وهو الس ا, ال إ, إ, أ ل سميع عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبار ء الك رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في س م ا ي وعافني في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده ع د د خ ل ق ه و ر ض ا نفسه و ز ي ن ة أرشه و م ا د كلماته الله مفاتر السموات ا والأرض عالم ا ل ل ي ب والشهادة รับบิ ك ุ ل ลิชายิวะมัลล ل กะอาชาดุลอละอิลลาห์อิลลัตอาอุซุมิกะมิญชารีนัฟซีวะชารีนไซตันีวะชิร์กีวะอันอัคตารีฟะลานัฟซีซูอันอะวะจุรรหูอิลลามุสลิมลาอิลลาห์อิลลาหูฮะเจฮูลาชาริกะลาฮูล์มุลกูวะลูล์ฮัมดูวะฮูอะลัยคุลลิชายิมคุลีซัลลัมอาลัยค ขอฮัมดูลิลละพี่น้องที่ร่วมนมาสุบที่มัสยิดอันบาริสุนะที่รักตําหนายชาและพี่น้องที่ติดตามเฟ e บุ o k สวรรค์ในบ้านนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านขอฮัมดูลิลละด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลานะครับที่อัลลอให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้อย่งนึกยังนึกว่าเราเก่ง อย่านึกพี่น้องนึกผิดอย่านึกว่าตัวเองนี่เก่งเนี่ยตื่นมานมาดแต่ัดยุดได้เดินมามัสยิดได้อย่าคิดว่าเราแน่แน่นะอลัลลอฮ์ดนใจให้เราเนี่ยทำความดีนะต้องนึกตรงนี้เป็นการขอบคุณอลัลลอฮ์เราทบทวนอัลกุรอานนะครับวันนี้มาถึงสุลติสี่สิบแล้ว อยากจะเท่าความเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสองอาทิตย์ที่แล้วที่ว่าการดาวห์อิสลามเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญดาวห์ตะบลีกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยที่อลัลลอฮ์ส่งนบีมาเนี่ยนะอิสลามนี่มีมานานแล้วนะ่ะไม่ใช่เพิ่งมาในสมัยนบีมุฮัมมัดในนครมักกะเนี่ยไม่ใช่นบีมาเป็นนบีคนท่านสุดท้าย และจะไม่มีนบีมาใหม่อีกแล้วนอกจากพวกเราเองนี่แหละให้เรียนศึกษาหาความรู้จากคุรานแล้วอกไปสอนกันนะครับนบีไม่มาแล้วนบีที่มาก่อนหน้านาบีมูฮัมหมัดเนี่ยคำว่าอิสลามเรื่องใหญ่คือการเชิญชวนสู่อิสลามให้รู้จักอัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่ครับเรากำลังอ่านไปถึงกุรานเรื่องฟิเรอนใช่ไหม อ่าเรื่องเฟโรโนมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งสรุปนะบรอูลมุมินุนยักตุมูอีมานะบูอายาที่ยี่สดเนี่ยตรงนั้นเรื่อยมาเนี่ยนะจะสรุปให้ฟังนะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีอีมานต่อลองแต่เขาเก็บอีมานไว้ในใจไม่แสดงออก แล้มีสแสดงออกก็มาแสดงออกใช่ไหมที่มันสแสดงออกคงจะรู้แล้วถ้าสแสดงออกก็ถูกนะนะถูกรังแกถูกแกล้งเนี่ยชายคนนี้เนี่ยมีตําแหน่งหนึ่งเป็นมงกุรราชกุมารสองเป็นนายตำรวจสามเป็นญาติสนิทของเฟอร์รองวุฒิพเป็นลูกของลุงหันมารับอุสลามโดยไม่มีใครรู้ท่านก็พูดเตือนนะนะ พูดเตือนฟีเรนโอนขณะที่นั่งประชุมก็อยู่ในพระราชวังนี่แหละผมสรุปได้สิบสองข้อนะนะ ก, ก่อนที่จะอธิบายอั้กูอ่านวันนี้ข้อที่หนึ่งชาคนี้เนี่ยพูดเตือนบอกว่าท่านเนี่ยวางแผนจะฆ่าคนคนหนึ่งคือฆ่านา บ, บียโซานี่นา บ, บียโซาพูดอะไรหรือ คือมันแสบหูคุณเหลือเกินเขาพูดว่าอัลลอฮฺรับบีอัลลอฮฺเป็นพระผู้อภิบาลของฉันคื้นถึงจะฆ่าคนแล้วหรืเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเขาเนี่ยเป็นทูตของอัลลอฮ์นะอ่าที่ส่งมาเนี่ยส่งทูตคนนี้มาเนี่ยนําเอามวยดีจัดเยอะแยะอย่า ง, งน้อยอะ่ะโยนไม้กระพจนไปเป็นอะไร เป็นงูเห็นไหมแล้วก็มือของท่านเแหนวและชาบออกมาเนี่ยเป็นอะไรมือสีขาวแล้วก็บางครั้งก็ให้น้ํำทะเลเป็นเลือดเนี่ยคุณมองไม่ออกเลยเหรอว่านมาจากไหนกันนี่นะเรื่องที่สมถ้าเขาพูดผิดความผิดตกกับมูซานะไม่ใช่ตกกับคนอื่นนะนี่เป็นการเตือนเรามในกันเองพูดอะไรก็ต้องระวังปากด้วย <c oughs> เรื่องที่สีนะครับ อาณาจักรเนี่ยที่ฟาโร่ปกครองอยู่เนี่ยนี่อัลลอฮ์ให้คุณมานะคุณชนะคือเป็นเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดนะรอยรีนะคืออารดิคุว่ชนะการเลือกตั้งแต่เลือกตั้งคงไม่มีนะมึง ไ, มได้อำนาจมาแบบเราที่ยกสามนิ้วกุธวันนี้เองนะ่าคายค่กันนะเรื่องที่ห้าถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษเนี่ยนะ บนโลกดุนยานี่ใครมยยายาบยาามได้ถึงคุณจะมีทหารส5 0ห0ันคนที่ดูแลพระราชวังฟาโรก็เถอะคุ้มไม่ได้ถ้าอาณาของอลัลลอ์มาบนโลกดุนยาเหมือนกับเหมือนข้อที่หเหมือนกับพวกอาร์สมูตเนี่ยเขามีร่างกายใหญ่กว่าคุณมีคาราฮาใหญ่กว่าคุณมีเงินมากกว่าคุณ เขายังถูกกันมาแล้วเลยแล้วคุณมีอะไรนั้งหนาเชียวอย่างอืมนมตรวขอมาข้อที่เจ็ดฉันกลัวแทนพวกคุณในวันเตียมาตแต่เขาชายสาบดีนนะยาวมั ต, ตนาวันที่เรียกหากันแล้วไม่มีการตอบรับขอยกตัวอย่างชาวนรกเนี่ยขอน้าชาวสวรรค์ขอน้หน่อยชาวสวรรค์ตอบว่าไงนะ อัลลอฮ์ห้มฉันไมให้ยื่นน้าให้คุณถ้าโยบุญทุนยาเนี่ยให้กันได้อต่อมาข้อที่แปดเอืญ hmm. ฟาโรุนะก่อนหน้านาบีมูซาจะมาก็มีนบีมาอีกคนหนึ่งหรือว่านาบีอะไรยูซุฟของอิสลามใช่ไหมแล้วก็ชีวิตของยูซุฟก็เป็นที่รู้กันติดคุกติดคุกอะไรตาอะไรเต็มไปหมดแล้วเป็นไงไม่ใช่นบีมูซา เป็นนบีคนแรกไม่ใช่นะก่อนหน้ามูซามีนบบียูซุฟมาแล้วข้อที่แปดข้อที่เก้าพูดใดที่โต้เถียงอะไรเาเรียกว่าโต้แยง้งกับคำสั่งของอัลลอฮ์ต่มวลยุ่งยากของอัลลอ์เนี่ยนะเป็นที่น่ารังเกียจยิ่งของอัลลอ์แล้วก็เป็นที่น่ารังเกียจยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ทั้งโลกนั่นแหละใครที่ต่อต้านอัลลอ์เนี่ยนะ คนมุ่มินงเขากนึกในใจนะเขด่าในใจนะแลไวเขาไม่พูดต่อมาข้อที่สิบเนี่ยจงปฏิบัติตามฉันนี่คนในในในพระราชวังฝาโรวงพูดจาดีนะเพราะฉันนี่ได้รับทางนำมาจากอัลลอฮ์นะแต่ผ่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามข้อที่ส1บเอเตือนนะชีวิตดุนยาไม่ถาวส่วนชีวิตอาคเราะถาว น, นยัง นี่สอนขนาดนี้ารโมยังไม่ถูกหุบหตาเลยนะข้อที่สองรอง ข, อข้อข้อสุดท้ายทำความดีหนึ่งเท่าอาลัลลอ์ให้ให้สิบทำความชั่วเท่าเดียวอลัลลอ์ให้เท่าเดียวนี่สอนอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคนนี้มีความรู้ดีมากเลยเปิดบางอี ม, มานนะไว้ไม่ให้ใครรู้อัล่ัมดูเลลเหรอเอาวันนี้มาอายาที่สี่สิบเอ็ดยะกาม มาลีอัดกุุ๊มอิลัหนาจาห์วัดดะนันีอิลัหนารยาก้ามมาลีอัดกุุ๊มอิลัหนาจาห์วัดดะกุนันีอิลัหนารอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยประโยคนี้ดีมากเลยนะ มาลีมะยาเก้าไมว่าโอ้พวกของฉันเอ๋ยไอ้เก้ามีเนี่ยในตับเสืออธิบายว่ามีมียาอีกตัวหนึ่งยาเก้ามีโอมากรุปอ่าพวกของฉันเอ๋ยพูดภาษาดีมากโอ้พวกของฉันเอ๋ยพวกพ่อของฉันเอ๋ยมาลีอะไรกันเนี่ยทําไมเป็นอย่างนี้ มาเลแปลว่าอะไรกันทําไมเป็นเป็นอย่างนี้อาดากุมฉันนีนะนะเชิญชวนท่านดาว่าท่านเรียกร้องท่านเชิญชวนท่านตั้ลิกให้แก ท, ท่านเนี่ยอิรันนญาญ า, า, าแปลว่าปลอดภัยสู่ความปลอดภัยสู่ความสําเร็จในชีวิตในโลกหน้า ทั้งดุญยาแลาะอาคือเราปลอดภัยหมดฉันเนี่ยเรียกร้องคุณเชิญชวนคุณพูดกับคุณอะไรนะสู่อะไรนะสู่ความสำเร็จวัตเดา น, นีส่วนท่านทั้งหลายเนี่ยหมายถึงฟาโรห์และพวกข้ารชาชการระดับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ในในสำเนียบรัฐบาลเนี่ยเต็มกันไหมดเนี่ยนะ ตาเดานี่แต่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเรียกร้องฉันเชิญชวนฉันอิลา น, านารสู่อะไรสู่ไฟนรุตั้งกันย่งกับฟ้าก็บดินฉันนี่เรียกร้องคุณเรียกร้องท่านเรียกร้องฟาโรเรียกร้องใครจะใครเนี่ย ส, สู่ความสําเร็จในชีวิตถึงได้อธิบายมาตอนตอน้นเราจะน้อยสิบสิบข้อใช่หมหนึ่งโลกดุนยาอย่างมองโลกดุนยาใบนี้สําคัญกว่าโลกอาเคโรไม่ได้ เอาโลกใบนี้ใบเดียวก็ไปไม่รอดคุณมีตําแหน่งเป็นใหญ่เป็นโตอย่าหลงตําแหน่งทุกยุคทุกสมัยนะบีเขาสอนแบบนี้ทั้งนั้นคุณจะมีอะไรเป็นตําแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเด้ออย่าหลงตําแหน่งคนที่หลงหลงวัตถุนี่นะก็ไม่ยุคี่ห้าอย่างหนึ่งหลงหลงหลงผู้หญิงสองหลงอะไรนะหลงเงิน สามหลงชื่อเสียงตำแหน่งและกะเกียรติยศมันพาไปสวรรค์ไม่ได้อ้าวยกตัวอย่างง่ายๆกษัตริย์ฟาโรห์ไปไหนไปนรกใช่หรือไม่ใช่สรุปแล้วนะไปนรกนะเอามาดูในสมัยน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยคนที่จนที่สุดไซนาบีลานใช่ไหมเป็นทาสมาจากประเทศอื่นแล้วก็มาก่าวปริมะเตาให รับอิสลามกัท่านนาบีบ้านไม่มีภรรยาไม่มีครอบครัวใหญ่ไม่มีรถไม่มีตำแหน่งไม่มีแล้วก็ได้รับหน้าที่อาจารจากท่านนาบีใช่ไหมวันที่นบีขึ้นเมรอดไปรับรับนมาดเนี่ยอัลลอฮ์าพาพาให้ให้บริการเนี่ยพาเนาบีเข้าไปในสวรรค์พอเดินเข้าไปในสวรรค์นเนี่ยเจอไซยิบานบีลานเนี่ย เดินอยู่ข้างหน้ามองรองเท้ารู้ว่าเอาใส่นาบิกาพอลงมาจากเนี่ยรอก็เจอสซนามบิลานก็ถามบอาว่าท่านทำอะไรหรือเข้าสวรรค์ก่อนฉันท่านบอกว่าฉันนี่นะทุกครั้งที่น้านำมำาดหมดแค่อ่าน้านมาดใช่ไหมอลัลลอ์พอใจแล้วอ่าน้าน้าดตามนบี แล้วก็นำมาสูน่าสวมแล้วเราก็อาดหลังจากกาอาบน้ำน้ำมาดแล้วแล้วก็หน้าที่ฉันก็คืออาจารย์เนี่ยสามสีรายการนี่เองบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีรถไม่มีตำแหน่งไม่มีแต่ได้ไปสวรรค์ท่านหลมอะไรนี่ถ้าเราคิดตรงนี้เนี่ยนะจะ่ไปหลงอะไรนั่งหนาวเท่านั้นทํำยังไงเอางานของท่านนาบีเนี่ยเอาไว้ในตัวเราให้หมดนะนบีอยู่ยังไงอ้า บานา บ, บีมกีกี่ชั้นหมมีรถกี่คันมีอูดมีลาแต่เวลา บ, บีจะขึ้นแม่อรมอเดี๋ยวเอารถสงบูรอกมาใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นอยู่กับอิสลามอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอรอซูลปลอดภัยหมดเลยนะครับนิชายคนนี้พูดแปลว่ามิยาเก้าพวกของฉันเอ๋ยพวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ย ฉันนี่นเชิญชวนคุณสู่ความสำเร็จในชีวิตทั้งลูกนี่รละลงหน้าแต่พวกคุณเนี่ยพยายามพูดฉันเตือนฉันเชิญชวนฉันให้ไปสู่อะไรไปสู่นรกต่างกันนะจากนั้นวันนี้ใครที่พูดจะให้คนเข้านรกนเยอะไหมเยอะพูดจะให้ลืมลรรคหมมีบางมีพูดจะให้ถึงสุนหนนาบีมีไหมมี โอเดินยังไงเตะท่าแก่พ้ายังไงไอ้โอ้งั่นพาไปสู่นรกหมดเลยอันนี้แตะ เ, เล็กๆน้อยๆแต่อัตมาย า, าที่สี่สิบี่สิบสตาด้าอูนานิลิอัฟฟุร์บิลลัลวะอุชริกะบิฮิมาเลีซลิบิฮิอิล ว่านาอัดอ้างุ่มอิลลาอัลอาซิซอัลกัฟฟาร์อานาเนี่ยเขียนเป็นอาณาแต่เวลาอ่านอ่านเป็นอาณาแปลว่าฉันอ่าตาเดาหนีอฟรบลอริก bihi มาลซล b i h i و أنا أدعوكم إلى العزيز ا, أ, إ ل ال ال غ ف ا ر الحمد لله อายะนี้อธิบายอายะทีะ่สี่สิบอที่ว่าเรียกร้องสู่ความสำเร็จนะ่ะคืออะไรและเรียกร้องสู่นรกนะ่ะคืออะไรตะเดานะนี่ท่านทั้งหลายเนี่ยเรียกร้องฉันดะวะฉันเชิญชวนฉันให้ทำอะไร ลีอาคฟูรเพื่อให้ฉันปฏิเสธเพื่อให้ฉันทรยศ ด, ดีไม่ดี <c oughs> เรียกร้องฉันเนี่ยให้ปฏิเสธให้ทรยศต่อใครบิลเหยต่ออัลลอฮ์ฟาโร่ลูกน้องฟาโร่ทั้งหมดเรียกร้องฉันเนี่ยให้ทรยศต่ออัลลอฮ์คุณทําได้ยังไง และการได้ว่าแบบนี้นะบาปเน่นะเชิญชวนคนให้ทิ้งอิสลามเชิญชวนคนให้ทิ้งอลัลลอฮ์เชิญชวนคนให้ไม่เชื่อวันวันเกียร์ม้ามีจริงเชิญชวนคนให้ปฏิเสธน บ, บีมูซาในยุคนั้นเนี่ยนะทำบาปอย่างแรงเลยเนี่ยเพราะในวันนี้ ก, การงานในครอบครัวเราเนี่ยนะถ้าพ่อแม่คุยกับลูกนะลูกเวลาคนมาอยู่หน้าบ้านดามเลย พูดอย่างนี้ไม่ได้อถ้าไม่มีก็ต้องพูดจาดีๆเอาวันนี้สตังค์ไม่มีนะมาวันหลังไม่ใช่เอาดินคว้างมันด่ามันปิดประตูแรงๆเนี่ยถ้าพ่อพูดอย่างนี้หรือแม่พูดแบบนี้กับลูกๆเนี่ยผิดอย่างแรงเลยั้านอัคลากเนี่ยอย่าลืมนะความเด่นของอิสลามอยู่ที่อัครากอยู่ที่มารยาทนะเอาต่อมาครับ ว่อุชริกาบิและผู้คุณเนี่ยเชิญชวนฉันให้ฉันทำชีริกต่ออัลลอฮ์บาปชีริกนี่เป็นบาปใหญ่ที่สุดรือเปล่าบาปใหญ่ในอิสลามมันมีเป็นรอยนะครับมันจะเล่าพี่น้องฟังบ้างเลื่เล็กน้อยน้อยเน่งการฆ่าคนเป็นบาปใหญ่ทรยศต่อพ่อแม่เป็นบาปใหญ่ การชีริกเนี่ยเป็นนับถือพระเจ้าหลายองค์บาปใหญ่หรือนับถืออัลลอฮ์องเดียวแต่นับถือส <isan> ิ <facto Gerilim> ่งอื่นคู่กับอัลลอ์ด้วยเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามเนี่ยเรื่องอีมานเนี่ยต้องมีกี่ข้อหกข้อนี่ยังกันมานะอามันตุบิลละวะมัลาอิกาติฮิวะกุตบิฮิวะรุสุลีวะยาุมิลอะครวะบิลกอดรีขายรีฮิวะชารีฮิมินุลลอฮิต้าลาต้องอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาเลย ฉัน إيمان ต่อล l l a h إيمان ต่อรอซูลอ ي มานต่อคำภีอ ي มานต่อวันสิ้นโลกอ ي มานต่อบรรดารอซูลทั้งหลายที่มาอ ي มา ن ต่อมาลาอิกะและอ ي มา ن ต่อกฎกอรอกฎกอรออธิบายยังไงความรวยความจนใครแข็งแรงอ่อนแอใครเจ็บใครแข็งแรงใครป่วยใครจะขึ้นใครจะลงในสังคมเนี่ยบางถูกยกมีถูกถูก ถูกลถเกียรติมีมมาจาเอาลอททั้งหมดน่ะนี่ต้องเรื่องกอดกอดตังบิคนี่เขาจะกดกดแห่งสภาวะเนี่ยต้องเข้าใจอย่าไปนึกพอเราป่วยหมยอยออลลอฮฺจะทำไมป่วยอีกแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็ป่วยสตางค์ไม่มีไปหาหมอก็ออลลอฮทดสอบงนะ่าถ้าทดสอบแล้วก็อดทนต่อออลลอแล้วขอดูอาต่ออลลอฮมีระวันตอบแทนจากออลลอหมดเลย เรื่องไม่มีรรงบาลมีท่านตำหนิอลัลลอฮ์สิโอ้โหป่ยอย่างนีไ้ไม่ดีเลยอลัลลอฮ์อย่าเองสวังหนาวไปก็บนร้อนไปก็บนจนไปก็บนรวยรวยมากก็ลืมมันหรอนี่ชีวิตของคนถ้าไม่เรียนศาสนาอย่างเดียวเนอะอัคลากเสียหมดเลยเอาต่อมาครับประโยคที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามอะไรรู้ไหมละอีละฮ์อิลล allah แล้วก็งานที่รองลงมานะที่ต่าที่สุดขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนนแลเวลาเดินไปเดินมาไปไหนก็ตามเมาเจอหินเจอหนามเจออะไรต่างๆมุถุงมืิดเห็นก็ยกกเราไม่ใช่เป็นตัวสยอรหรอกแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่เพราะบนาบีสัง่งมีวันหนึ่งนบีกาลังนมาอยู่คนในสมัยก่อนเนี่ย พอคยเรียนาศาสนาจะท่านนาบีบางที่สเสล็ดเนี่ยถุยที่กําแพงมสัสยิดน่ะนบีเห็นน่ะเป็นรอยไม่แข็งไงนบีก็ไปอะไรน่ะไประเช็ดออกนบีทําให้ซาบะเห็นฉะนั้นเก็บของไม่ดีออกจากบ้านออกจากถนนออกจากมาสัสยิดเป็นงานาศาสนาทั้งหมด ท่านอย่าไปดูถูกตัวเองงานนี้ฉันไม่ฉันไม่จับให้ให้ให้ให้ให้ใหให อ, อยอมันทําหรือว่าไ อ, า ย, อ, นนะอยอดนะตตสยอหรือไยอดอย่าไปคือมุสลิมจะต้องน้อมทําตนตลอดเวลากว่าบ้านหน้าบ้านได้ไหมได้ผิดที ah. ่ไหนอ่ะพราะนบดาะหสัง่งนัสรีฟูอัฟนียตะกุมจงท่านจงทํ า, ทาทความสะอาดหน้าบ้านของท่านให้สะอาดการกวาดบ้าน สิงอาชาต์รงานวันนบีน่ช่วยงานบ้านตลอดเลยเห็นไหมเช็ดรองเท้าเองปะรองเท้าเองรีดรองแพะเองแล้วก็ช่วยภรรยาเข้าครัวด้วยนี่นบีทำหมดเลยท่านเราเอาสุ น, นัขานาบีมาใช้ในชีวิตประจำวันเรามาต่อมาครับ ตาเดานีลีอักฟูรบิลล์พวกท่านเนี่ยเชิญชวนฉันให้ปฏิเสธ a ลล a h และให้ฉันตั้งพาคีต่อพระองค์มาไลายซาลีซึ่งฉันไม่มีไอ้มุนความรู้ในเรื่องนี้เลยเรื่องตั้งพาคีกับเราฉันไม่เคยถูกสอนมาฉันใี่ถูกสอนมาอย่างเดียวคือ ให้เคารพอัลลอฮ์องเดียวให้พักดีต่ออัลลอฮ์องเดียวให้ทำงานทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์องเดียวฉันไม่เคยถูกสอนให้ให้ชิริีกต่ออัลลอฮ์เวลาเราไปทำฮะจีเนี่ยเห็นไหมดูอาบุรลที่เรากล่าวว่างนะละบายกัลลอฮุมะละบายละบายละบายกาลาชาดีกาลาละบายอินนัลฮัมด์วันีอัมมตาละกวาลมุลละชาดีกาลา โอ้อัลลอฮ์ฉันมาตามที่อัลลอฮ์เชิญชวนแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันไม่ขอตั้งพาคีกับอัลลอฮ์ถูกดีไหมแต่เวลากลับมาจากซาอุดีโอ้โหอกัซคุยใหญ่คุยโตคุยนั่นคุยนี่ก็าังเรื่ไม่เข้าใจดูอานที่เราอ่านอย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมากับ ว่านาอ้างุกุมอิลลาอัลลอฮิซิลกุฟฟาร์อัลซิเนี่ยเป็นศิฟงศักด์ของอัลลอฮ์แปลว่าผู้ทรงอำนาจอัลลอฮิกุฟฟารผู้ทรงอาภัยโดยเด็ดขาดอธิบายยังไงคือคนที่รังแกอิสลามรังแกมุสลิมรังแกมุสลิมรังแกนบีนี่นะอัลลอฮ์แก้แค้นแทน นี่คำว่าอาซิสใครที่อย่างเนี้ยเอ๋ชายคนที่อยู่กับฟื้องอุ่นใช่ไหมและอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยตอนลังฟื้องอุ่นสามฆ่าสังฆ่าเขาก็หนีอ่ะห <c oughs> นีรอดไหมรอดคำว่าอาซิสนี่นะอลัลลอฮ์แก้แค้น แทนชายคนนี้ให้ฟาโรจมน้ำตายแล้วก็อโลฟาเนี่ยผู้ทรงอาภัยคนทุกคนมีความผิดหมดเมื่อผิดแล้วอย่าดันทุรังให้ยอมรับผิดไปแล้วขอทุอา้านนึกด้วยอัลลอฮฺจาฉันเนี่ยเลวเป็นนั่นเป็นนี่สารพัดเรื่องเลวๆอยู่ในฉันนี่ยเยอะมากเคยเอาเม็ดไล่ฟันคนก็เคย เคยทำซีนาก็เคยสารพาพนะขายไก่ก็เคยลักมะม่วงเชาบ้านก็เคยรักอลัลลอฮฺยาววันนี้ฉันสารพาพผิดต่ออลัลลอเลยมันต้องอธิบายอย่างนี้ต้อ ข, ข้าราชการขอกข้าวฟ้าต่าออัลลอผู้ทรงให้อภัยอย่างเด็กขาดจะรู้าบาปใหญ่คือบาปชีริกอ่าฉันนี่จะไม่ทำฉีริกต่ออลัลลอไปหาหมอดูฉันก็ไม่ไปจะแต่งงานลูกสาว ท่านก็ไม่ไปหาหมอดูไม่พึ่งหมอดูอย่างนี้ทุต้นนะครับเอาต่อมาอายะห์ที่สี่สิบสามและจะรมาอันนัมอาจจะดูนี่อะไลในซาเลห์ دعوة ทุ่มฟิดดุนยาและในอัลอาคิราะวละอันนั้มรดดนาอิลลอ وَأَنَّ ا ل ْ م ُ س ْ ر ِ ف ِ ي ن َ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِ إ ل ي ه لَا يَسْلَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي ا ل ْ آ خ ِ ر ة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفينهم أصحاب النار ا, ا, إ ل a م د لله อัลลอ l l a h a l ่านยานี่ดีจิงๆครับมาดูศัพท์ครับลาจารมาเนี่ยจารมาแปลว่าสงสัย <ار> <t> ถ้ามีลาเข้าไปไม่ต้องสงสัยในกุอานอายาแรกจากสุรบะกรอนะลาโรยบาฟีลาซักกาฟีแปลว่าไม่ต้องสงสัยลาโยรมาเนี่ยเป็นศัพท์ใหม่ที่อัลลอฮ์เล่าในคมัมภีรุอ่านเตือนอ่าเตือนคือชายที่ปกปิดอิมานเนี่ยได้พูดต่อหน้ากษัตริย์ฟาโร แล้วก็ข้าราชการกระดับผู้ใหญ่อีกนั่งกันเป็นร้อยๆนั่นแหละพูดอาไหนะลาชารามาโดยไม่ต้องสงสัยบรรดาจเจว็ตที่พวกคุณเคารพเจวิตบรนดานนะใครจำไฟาโรเองตั้งตัวเป็นพระเจ้าตั้งตัวเป็นพระเจ้านะ่ะแล้วก็สั่งให้บนิอิสรลอินทั้งหมดนีนกราบพวกกิปเต้นิกราบฟาโร รูป เ, เวิตก็คือตัวฟอร์มูลเองนั่นลหละลาเจรามาโดยไม่ต้องพูดจาดีนะลาเจรามาโดยไม่ต้องสงสัยอันนามาตะดองนันีอิไลลาวเจเวิตที่พวกท่านเชิญชวนอิไลไปหามันคือเขาเขาฉลาดพูดนะนะแทนที่จะพูดตรงๆกับคุณเนี่เป็นตั้งตัวเป็น เป็นเป็นเวิตเองคุณตั้งตัวเป็นบระจาเอกพูดอย่างนี้มันก็แรงไปใช่ไหมนี่ก็เลี่ยงภาษาฟังแล้วมันก็แรงเท่าไรแต่ถ้าอธิบายเนี่ยหนักโดยไม่ต้องสงสยัยเหล่าจเจวิตที่พวกท่านเชิญชวนนั้นน่ะไลซาลาหูดาวะมันไม่มีดาวะเนี่ยเดิมแปลว่าเรียกร้องแต่ตรงนี้หมายความว่าตาแหน่ง หรือว่าสําคัญอไม่มีความสําคัญไม่มีตําแหน่งใดๆตัวฟาโรห์เองก็ถึงจะมีตําแหน่งเป็นกษัตริย์แต่ลึกๆแล้วกษัตริย์มีวันหมดอายุไหม <c oughs> มีวันหมดอายุสสมีวันหมดอายุไหมหมดสวหมดอายุไหมหมดอบตอหมดไหมหมดแล้วลงอะไรอ่ะ ทำไมไม่ยึดอัลลอฮ์ล่ะเพราะอัลลอ์ไม่ตายยังอยู่ไปตลอดทุสิ่งทุอย่างปินาดหมดแต่อัลลอฮ์ไม่หมดอายุอยู่ไปตลอดลอลอลอรุร่น ا ่นอัลไครรุ่นส้ายอัลลอ์อัลลอ์เป็นองค์แรกและเป็นองค์สุดองค์สุดท้ายลกไปนี้หมดอายุแต่อัลลอฮ์ยังอยู่ยึดองค์นั้นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างมนุษย์ความจนความรวยมาจากอัลลอ์ทั้งหมดยึดอัลลอ์องค์เดียว ไลซาลาฮูดาวอ่ะเจวิที่พวกคุณกราบอยู่นั่นะ่ะไม่มีตำแหน่งไม่มีความสำคัญใดๆฟ mm hmm. ิดดุนยาในโลกดุนยานี่เตือนสติฟาโรห์ให้เปิดหูเปิดตาใช้าการด้ว่าอิสลามเนี่ยต่อพูดเรื่องอัลลอฮ์และรอซูลเยอะหน่อยนะต่อมาครับวาลาฟิลอะเฟรอเจวทที่พวกคุณกราบ ถึงคุณกาฟาโรอยู่ในนางตัวฟาโรเองจะไม่มีอำนาจใดๆในโลกอาคเครออีกเหมือนกันจะไป่กลบาวลามาบางขั้นอธิบายดีนะอย่ากลาบเงิน <c oughs> <c oughs> กลาบเงินนี่เราไม่ได้กลาบเงินอย่างนี้หรอกแต่ใจมนนึกนะถ้าฉันขาดเงินนี่ไม่ได้แน่เยาถามอับบี๋ยงมาเนี่ย มีเงินเท่าไรจะเผยแพร่ อ, พ อ, อิสลามไปเท่าไลยใช้เงินหรือเปล่าที่อิสลามจเจริญเนี่ยเพราะอิมานเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์อย่างเดียวนั่นแหละเงินเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ที่หลังเงินเอาไว้สร้างสุราห์มาที่หลังนะอิมานมาก่อนนะให้คนได้อิมานก่อนรู้จักอัลลอฮ์ก่อนรู้จักกลัวอัลลอฮ์ก่อนรู้จักวันอาคริรักก่อนรู้จักวันตายแล้วฟื้นก่อน นบีมศสเรื่องอาคะที่นครมากากี่ปีนึกภาพได้ไหมสิบสองสิบสามปีทำไมอ่ะสอเรื่องอาคีดตั้งสิบสาปีน่าจะสอนปีหนึ่งใช่ก็จบโอ้โหเรื่องอันนี้เขาใจยากอ่ะเขาใจมันกบมึดีมันก็ลืมชุตอนมันก็มีหน้าที่มันมึงลืมมึงลืมมึงลืมมยาวมาอย่างนี้เป็นตัวตัวรู้ว่าจะเวททั้งหมดอ่า สิ่งที่มนุษย์บูชาอยู่นอกจากอาลัลลอ์เนี่ยนะไม่มีตำแหน่งในโลกนี้แล้วไม่มีตำแหน่งใดๆในโลกอ่คือเราช่วยเหลือกันก็ไม่ได้ต่อมาครั บ, บวะอั น, นามารดดนะอิลาลอมารถแปลว่าการกลับรอดูเบากลับคือตายแล้วฟื้นอ่ตายทุกคนจะต้องตายหมดใช่ไหม ตายแล้วก็ต้องฟื้นกลับไปหาใครอีลอัลลอฮกลับไปหาอัลลอฮ์นี่สอนเรื่องอัติเดาะอายะเดียวนี่ยผมพูดหลายเรื่องนะไม่มีใครใหญ่บนโลกนี้นอกจากอัลลอฮ์สองตายแล้วไหนไปหาอัลลอฮ์เราตายแล้วไปตายเลยไหมไม่ตายเลยครับตายแล้วต้องฟืน้น แ, แล้วก็ชายคนนี้ก็พูดได้พูจาดีนะว่าอันนัลมุสริฟินมุสริฟเนี่ยคำเดิมแปลว่าผู้ที่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยแต่ ตรงนี้อธิบายว่าผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ฝ่าฝืนคำสั่งของนบีมูซาแล้วก่อนหน้านี้ฝ่าฝืนคำสั่งนบียูซุฟถางว่าไปรอดไหมล่ะฮุมอัสฮาบุนพวกเขาอัสฮะเป็นสหายอันนักไฟโลเตือนแล้วเตือนเอกพูดแล้วพูดเอกนี่อัลลอฮ์เอาคำพูดของ คนที่ปิดบังอิมานในในพระราชวังฟาโร่มาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเราก็ฟังวันนี้อัลลอฮ์ใช่เลยเะนั้นเพื่อจะเตือนว่าตาแหน่งทั้งหมดที่มีอยู่นี่เป็นหัวโขนชั่วคราวใช่หรือไม่ใช่ใช่ภาษาในเพราะนะเป็นหัวโขนนะชั่วคราวเขาปลอมทั้งหมดนั่นแหละเป็นการให้ประการทดสอบรวยก็เป็นการให้ประการทดสอบจนก็ให้ประการทดสอบ ให้มีตำแหน่งก็เป็นการทดสอบทุกมดฉะนั้นอย่าหลงยึดใครยึดอัลลอฮ์และยึดราซูลเป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิตของเราอาทิ น, นี้ต้องการจะอธิบายบอกว่าอายะอื่นอธิบายอย่างนี้คนที่ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์เนี่ยนะยในวันเกียมมาเนี่ยนะตัวมันเองก็พาไม่รอดว่ามันอัลลู ไม่ไม่อย่าเดาไม่ดูนี่ละผู้ใดเล่าที่จะหลงยิ่งไปกว่าคนที่ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอาลัอลลอฮ์อัลอใช่ภาษาดีนะเอาว่าละหลงที่สุดหลงยิ่งคนที่ไปเคารพสิมอื่นนอกจากอาลัลลอเป็นที่พักพิงทางใจที่ขอโน่นขอนี่คิดว่าเขาให้นะคมจริงอลัลลอให้อะ ให้ผู้ให้หลงอ่ะมัลลายสตาจีบุล้วในวันกียมาเนี่ยตอบรับอะไรไม่ได้เลยให้รางวัลอะไรนิดก็ไม่ได้ให้คุณรวยก็ไม่ได้ให้คุณจนก็ไม่ได้นี่เข้าใจผิดหมดเลยก็มีหลายคนเนี่ยไปขอหวยที่นั้นเนี่ย กับเ ร, เรือยาวๆที่มันกองนอนมีอยูเรือลอยอยู่ตอนนี้มันหายไปแล้วนะถ้าจะหมดไปแล้วนะไปขอเรือไปขอหัวทีน่นแล้วก็ไปขุดเลขเจออ่ะก็ถูกก็มีนะอันอิทธิพลซอยตอนไม่ใช่มรอคการนะพอถูกปั๊บเนี่ยอลลอตต์การจะให้ลมหลงเลยโอ้โหเนี่ยพระเพราะเพราะเรือลำนี้เพราะต้นไม้ต้นนี้เพราะเสียงศักดิ์สิทธิ์นี้ทําให้ฉันถูกนู่นถูกนี้หลงเลยพี่น้อง กระนั้นอัลลอฮฺเล่าวในอายะอื่นอธิบายอัลลอฮฺอียานี้ว่ามันอดบอลลกใครไม่มีใครแล้วที่จะหลงไปกว่าคนที่ยะดามินดูนี่แหละที่ไปขอวอนขอร้องขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮฺหลงหมดเลยอย่างรีบเป็นต้นนะครับเอาต่อมาอายะที่สี่สิฟาซาตัสกูรุ ن َ مَا أَقُولُ لَكُمْ و َ أ ُ ف َ ا ُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ ب ِ ا ل ْ ح ِ ب َ ا د ِ ف َ س َ ا ت ر ُ و ن َ مَا أَقُولُ لَكُمْ وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بعباد الحمد لله ما شاء الله ตอนนี <Es> hmm ่มีม ah ีอยู่วักหนึ đ đ ่งเป็นดูอาดูสับก่อนนะฟาสตาสกูรูนพวกท่านคงจะจำได้ ฟาสตาสกูลูนมาจาริกเก็ตนะะ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปพวกท่านคงจะจำได้มาอภูลสิ่งที่ฉันพูดสิ่งที่ฉันเตือนสิ่งที่ฉันสอนสิ่งที่ฉันได้วากับท่านละกุมคงจำได้ใช่ไหมอ่าสบสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะ อย่าหลงโลกดุนยานะโลกดุนยาชั่วคราวคงจาได้นะตำแหน่งฟาโร่ที่อัลลอฮ์ให้ชั่วคราวคงจำได้นะ แ, น oh ai, นะแล้วก็ความสุขความสบายอะไรที่ที่ล่ามาทั้งหมดนี่นะนีชากินี่นพูดจาดีนะพวกท่านคงจะจำได้สิ่งที่ฉันได้พูดกับท่านสิ่งที่ฉันได้เตือนท่านไอ้ความจำมจําเป็นด้วยนะ ไปฟังไปฟังบยานไปฟังตักริศหรือไปฟังอะไรก็าตามพอกลับมาถึงบ้านเล่าให้เมียฟังคุณระย่างกวมนี้นะเพราะนายจำคำพูดคือจำหอ ด, ดิสนี่นะจำกุหานะดีที่สุดนะนะทีนี้คนนี้เนี่ยพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยฟาโรโกรธมึงมาเตือนกูให้จำเรื่องที่มึงพูดเหร คุณเป็นใครอ่ะโอ้โหทั้งมาพูดว่าคงจะจำภาษาฉันได้นะี่ฉันได้มาเตือนคุณอะไรคุณเนี่ยโอ้โหของขึ้นแล้วก็ในาทัพซีตอธิบายบอกว่าฟาโรหม์ไม่พอใจโกรธมากถึงจะเป็นย่ายก็าเอาเหอะอันนี้กูเอาแล้วใชตอนเข้าเต็มตัวเลยใช่ไมก็เลยสั่ง จัดการในตัปสิทธ์นะในกุรานมาันจะพูดเอาไว้แต่เราเล่าว่าว่าอูฟาววลูอัมรีละลอออ่ลลาอตรงนี้เป็นดุอาพอพูดจบฟาโรสั่งจัดการแบบสั่งจัดการกับมูซานะแล้วก็มูซาขอดุอาแล้วก็ตะมียด้วยนะ ฟาโร่บอกโมูสานั่งขอดวางข้ามขอไปเถอะดวอาจะมีอะไร อ, ะอ่ะอ้าวคนนี้ก็ขอดวอาเองถ้าฟาโร่รู้ก็มึงจะขอดวอา ไ, ทาไปทำอะไรอัลลอฮ์มีที่ไหนก็สั่งให้คนสร้างอะไรนะสร้างอะไรวางหอวางสูงๆยังไงตึกสูงๆพื่จะไปดูพระเจ้าของของโมเสคืนแล้วลงมาไม่มีอ่ะพูดแบบรัเซียพูดเลยอะ่ะเข้าใจไหมวาอูฟาวเวโด อุฟาวิวิฉันขอมอบตะวะกกันนั่นแหละใช่ภาษาใหม่อุฟาวิลูฉันมอบอเมริกกิจการของฉันอิละล้อยไว้กับอัลลอฮ์อง์เดียวหลังจากฟาโรสัมจัดการยากตัวเองนะเป็นลูกมกุฎราชมุมานด้วยนะเป็นนายตำรวจใหญ่ด้วยนะ พอพูดพูดพูดรู้แลยคนนี้มีอิมาอัลลอฮฺเลยอิมาตมุสลัตสั่งจากการเลยนะพอสร้างจากการเขาก็หนีเราวางที่นี่เขาอ่านดูอาบุนี้จะท น, นเราเองลงมากันเมื่อเจอบางคนเล่นงานเราวางแผนจะด่าเราวางแผนจะทำร้ายร่างกายเราอ่านดูอาบุนี้ได้เลยครับผมได้ยินหลายคนอัลลมาในโลกระดับ <c oughs> ที่เขามาเยี่ยมเมืองไทยเนี่ยรำก็มีโอกาสไปต้อนรับมันนะเ <c> ม <oughs> ื่อเขาจะเดินเน่ยผมก็เดินตามเขามาหลายคนพูดตรงนี้ว่าอุฟ่าวีดูอารมณีหลงหล่อๆๆผมก็นึกดูอาบม น, นี่ดีนะรำคนไม่คยได้อ่านเนี่ยรำไม่คอยได้อ่านพอไปอ่านอลัลลอเวลาถูก ถูกรังแกถูกวางแผนจะจับตัวถูกโน่นถูกนี่เรื่อหนักๆขอดวัวอานบทนี้อัลลอ์คุ้มครองวะอูฟาวิลุอัมรีอิลลอห์ชายคนนี้ไปที่ภูเขาเพื่อจะเอาตัวรอดพร้อมกับขอดวัวอาต่ออัลลอ์สุบฮานะหนูัลละเมื่อจะขอครั้งเดียวนะข อ, ว ข, ออขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขอขอบ่อยๆจะนั่งอยู่บ้านๆอยู่บ้านทั้งวันเนี่ย เรืองความรู้มีหนึ่งมีหอย่างเจ็อย่างหนงึให้อ่านคุณอ่านสม่ำเสมอได้ได้ความรู้สองน้ำหมาดอย่าขาดสามให้บริจาคสม่ำเสมอสี่ให้ขอ dua นี่ไงขอ dua สม่ำเสมอข้อที่ห้านึกถึงอัลลอฮ์อย่านึกถึงคนนึกถึงคนเครียดนะนึกถึงอัลลอฮ์ดีกว่สบายใจนึกถึงนบีมุฮัมมัดนึกถึงสุนนะนบีสบายใจ ข้อที่หกติดต่อกระเครือญาติเราเองไปเยี่ยมญาติพี่น้องเราที่ในเอาศาสนามีไหมมีไปคุยกับเขานึกจะบ้านใชอ or อจะบ้านวันนี้ไปเยี่ยมวันนี้ซื้อข้าของติดมือไปด้วยไปนั่งคุยกับเขาชั่วโมงหนึ่งเชิญชวนกับให้หรูจ้จักอัลลอฮ์ถ้าจะไปพูดพาก็ออกพูดเรื่องการเมืองพูดทําไมพูดเรือ่องสามีว่าทำไมพูดพูดเรื่องอัลลอฮ์นี่แหละอัอนนลลอฮ์เราซู้อัลลอฮ์เะหาต้องหาวิธีพูดน่ะเอาคู่อ่านประวัติศาสตร์ของบรรดา เรื่องราวที่เกิดขึ้นในกุรอ่านเนี่ยเป็นเล่าขอญาติพี่น้องเราครับตลอลงว่าชายคนนี้อ่านด อ, าอ่านว่าไงนะว่าอุฟาวิโดอัมรีอิลาลมาดูคำแปรก่อนนะครับฉันมอบอ่าฉันมอบ ภารกิจของฉันไว้กับอัลลอฮ์องเดียวอินอัลลอฮ์บอซีรุมบิไลบัดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นที่ฟาโรห์สั่งให้จับตัวนี่นะอัลลอฮ์เห็นหมดแล้วรู้เรื่องหมดแล้วถึงจะเล่าให้ฟังนี่ไงบิไลบาดพฤติการของเบาของพระองค์ทุกคน ทั่วโลกเนี่ยทำอะไรยกมืออะไรก็รู้อ๋อไหนยกมือผู้เจ้าหินคว้างกันนี่หว่าอันนี้ยกมือจะเอาสตังบริจากก็ ร, รู้ตามองอ๋อนี่มองผู้หญิงตาชั่วเนี่ยแตอันนี้ตาสะอาดที่ฉะนั้นทําใจให้สะอาดต่อหรอกอ่าเนี่ยอิสลามสอนดีมากท่านหัวใจต้องสะอาดตัวลงว่าคนนี้ถูกจับได้ไหมถูกจับไม่ได้ ฟาโรสั่จับใช่าหมเราขอดูอาณาจักรเราดูวักดูอาวักนี้ต่างหากทําให้เขารอดเอาต่อมาอายะสีสี่สิบห้าครับฟาวะกอฮุมุลฟาวะกอฮุลลอฮ์ัยอาติมามะคารววาฮะกับอาลฟิราอูนซูลอัลอาบ ใช่เปล่าฟากาห์ الله سيئات ما مكره وحق بآل فرعون سوء ا มาดูสาบครับฟาวะกาาวะกาห์แปลว่าคุ้มครองวดภายแล้วให่ไหมอัลลอ์เล่าเลยนะครับเพราะดวงาต่างหากที่เขาขอจากอัลลอฮ์ให้คุ้มครอง ข้าวาก็หุลนรออัลลอฮ์จะคุ้มครองเขาหู้เพราะว่าเขาคนนั่นคนที่ปิดบังอะไรนะปิดบังอีหมานไว้พอพูดพู ด, พ ด, พดไปไปจับได้เราเองนี่อิหมานตัวมือัลลอฮ์อิหมานตัมือจจัดการไซ ย, ยาห์ความชั่วทั้งหลายอะไรความชั่วพระสางฆ่าคนดีหรือชั่วล่ะ เราสั่งฆ่าเด็กดีดีดีหรือชั่วชั่ววันนี้ทั้งโลกก็เป็นการขายที่สังฆ่าคนเพราะพูดผิดหรือว่าไม่ไม่เอาใจเข้าข่าตัวเองสั่งฆ่าเขาก็ผิดหมดนะทว่าเาลาอเอาเรื่องไหมเอาครับแต่ตอนนี้ปล่อยไปก่อนที่ปล่อยให้ทำนึกตัวให้ตาบ้าตัวต่วเอเราแต่เงินให้ไหมเอาไปตำแหน่งเอาไปชื่อเสียงเอาไปเอาไปเลยให้ล้มมากกว่าเก่าอีกอย่างนี้เป็นต้นนะ มามาก ร, รูมาแว่าที่มาก ร, รูที่พวกเขาวางแผนคนกาเฟฟาโรใกาเฟพูตรงๆนะวางแผนทำลายคนดีสำเร็จไหมไม่สำเร็จครับนี่สอนพวกเราวันนี้ด้วยถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลทำ ง, งานของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอ์ใจเราสะอาดต่อแล้พูดอะไรผิดถูกคนนั้นคนนี้อันตัว ฟาวฟาวิดอัมรีอิละละลาวฟาวฟวิดอัมรีอิลลอลอัลลจะฉันขอมอบพระเกียรติของฉันไว้กับอัลลอฮ์องเดียวนะอัลลจพออ่านดูอาตบุนี้พานอัลลอคุมครองแผนชั่วชั่วที่พวกเขาวางแผนอัต่อมากับว่าฮ า, าก็ฮาก็แปลว่าส ก, กัด สกัดล้อมอาลตว่าบริวารฟิราอนฟิรอุนความชั่วอลัลลอ์ได้สกัดล้อมบริวารของฟิรอุนทั้งรวมทั้งหมดกี่คนละ่ะทานับทหารทหารประมาณเจ็ดแสนคนใหญ่โ ย, ย, ยนะ มีทหารยึดราาักษาในรักษาประเทศอียิปต์วันนั้นนะเจดแสนนะถูกสกัดอลัลลอฮ์สกัดล้อมหมดแล้วแต่รู้ตัวไหมไม่ไม่ไม่รู้ดี เ, เล่าให้ฟังแผนการที่ฟาโร่ต้องการที่จะฆ่าคนดีคนหนึ่งแล้วก็ฆ่านบีมูซาด้วยแล้วก็ฆ่าคนที่มีอีหมา่าตัวนบีมูซาอาลัลลอฮ์สกัด วงวานของเฟรนอคนตัวต่อเฟรนอคนหมดแล้วซูอาลาจาอาลาไปว่าการลงโทษซู้ไปว่าความชั่วโทษทันแห่งความชั่วที่เขาก่อเอาไว้แล้วก็ไม่คิดที่จะตบตาตัวด้วยตวบาบตาตัวไม่เป็นด้วยไงเพราะว่าถ้าไปยึดตัวเองเงาใหญ่แล้วก็กูตบาบตาตัวไม่เป็นแล้วมึงต้องมาหากูมึงต้องมากราบกูอ้า ยี่เป็นต้นตนะครับตลงว่าฟาโรห์ไปรอดไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะไปไม่รอดมีอํานาจเยอะไหมอํานาจเยอะใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ไปรอดไหมไม่รอดใช่ไหมฉะนั้นดัวนี่ยช่วยได้คนเดียวเนี่ยแหะพี่น้องทหารตั้งเจ็ดแสนคนฟาโรห์ด้วยต้องการจะฆ่าคนคนเดียวพี่น้องมันฆ่าได้อยู่แล้วอะแต่ทาไมฆ่าไม่ได้นี่ไง ว่าอุฟาวิลอัมริอิละลอออ่านพ่ออ่านให้จำสอนในพรรยาด้วยให้ลูกหลานอ่านทุกอ่านบทนี้ด้วยอัลลอฮอัลกบะด์อายะสุดท้ายนะครับห้ามดูวยเลยอันนารยูอรดูนัลียห์ฮุดูอาชี وَيَوْمَ تَقُومُ ا, أ, ا ل س َّ و و ع ا ع َ ة ใ أَدْخِلُوا آلَ ف ِ ر ْ ع َ و ่อยَู่ ش ทَองฟ้าสَูสุดที่อุท้ายนี่อยงน อดั้งขิลูอาล์ฟิร์งูน่าชดุลอาซาบ์นะอุบิลลาะแปลว่า ان, เล่าถึงชีวิตฟาโรห์ปัจจุบันถามว่าฟาโรห์ตายยังตายแล้วแล้วก็วงวายของฟาโรห์ตายยังตายแล้วขณะนี้อยู่ที่ไหนยอยู่ในอาลามบัตา ใอ้ตําสีอธิบายนะตายแล้วไม่จะตายเลยนะไม่ใช่ขณะนี้อยู่ในอารมบาตรักจะจมน้ำตายอยู่ในอารัมบาตรักจะเผาไปอยู่ในอารามบาตรักจะอยู่ใต้ดินก็อารมบรตรักขณะนี้เห็นอะไระนี่ข้อเตือนนะเป็นอักดีได้เลยนะขณะที่นอนอยู่ในอารัมบัตรักเนี่ยเห็นอะไรครับ นี่อัลล์เล่าอนะเขาเห็นทุกวันวันละสองครั้งเช้ากับเยน็นเห็นอะไรครับอันนาอันนาแปลว่าอะไร <c oughs> นรกไฟนรกพูดง่ายๆนะนอนอยู่ในกูโบเห็นเห็นไฟนรกสนุกเลยชีวิตไม่สนุกเลยพี่น้องนอนฝันอะ เห็นไฟไฟไฟไฟจะดีเละอะไฟไม่บ้านเราไฟไหมเราเราวิ่งหนีไฟกกตัวใหญ่เนี่ยเช้าก็เย็นเช้าก็เย็นเช้าก็เย็นนอนลับรเลอ้าไปลองคิดเองไม่เชื่อไม่มีปัญหาทั้ น, นด่าอัลลอฮไปเถอะด่าสุนนนบีไปเถอะเราเองนอนนาะกูโบจะรู้สึกตัวนะถ้าลูกท่านในอัศาสนาด้วยนะ ขอดุอิให้พ่อแม่แม่เป็นเจออกอกท่านพ่อเราไม่ดีลูกช่วยประคองได้ขอดุอิาให้พ่อพ่อเราอยู่บนดุนยาเนี่ยไม่เอาสนาเลยขวางตุนหน้าอีก <c oughs> ในยกตัวอย่างง่ายๆนะเอาดูคาทุกข์ครับอันนาฟไฟนรุยุวะรอดูนะถูกนำมาอยู่ต่อหน้า นี่เล่าง่ายๆเลยกูอ่านทำไมอัลลอ์เล่าเพื่อจะให้คนเข้าใจง่ายๆนะขณะที่นอนอยู่ในกูโบอัลลอ์จะนำให้เขาเห็นตอนหน้าของเขานำอะไรมากอันหน้าไฟนรกคงจะเห็นไฟนรกนะน้อขอนะ้ำกูหน่อยโอ้กูจะ แค่เห็นไฟในรถก็นอนไม่หลับแล้วรอรับวันแล้วก็ฝันเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนจริงนะเพราะเราเคยฝันให้เรารู้สิอาต่อมาครับกุดูวันยามเช้าว่าอาชีนและยามเย็นวันละกี่มื้อสองมื้อดวงอาทิตย์ขึ้น กระดวงอาทิตตกเห็นนรกทุกวันเอาเ่รน้องถ้าใครแอนตี้อิสลามเชิญแอนตี Anti ้เอาลอเชิญไม่เชื่อวันเกียรมากเชิญไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีของเราจริงแอนตี้ไม่เชิพี่น้องแล้วเจออะไรไหมเจอแบบฟาโร น, นี่แหละแล้วใครที่มีนิสยัยคล้ายครๆาฟาโร่เจอหมดยางมีเป็นตัวแต่รูว่า ระหว่างที่นอนอยู่ในกูโบวันนี้ทั้งเช้าเย็นเจออะไรเจอไฟถูกนำเสนอให้เขาเห็นแบบนอนฝันต่อมาครับเนี่ยร้อนเล่านะ ah, วายาอมาตากูมุสะและในวันตีมะพอฟื้นขึ้นมาจากจากกูโบะเจออะไรกำลังนอ น, น่ะเจอ ฟื้นขึ้นมาไม่ไม่นักกว่านั้นเลยมีมีคำพูดอัดคิคลูมีเสียงพูดบอกว่าจงให้พวกเขาเนี่ยเข้าไปหนักหรือไม่นักพอฟื้นขึ้นมาจากจากสุสานไปรวมตัวกันที่ทุงมาเสร็จทุงมาชาเสร็จฟาโรก็ไปด้วยนะอยากคิดว่ายกเว้น ต้องเดินไปนะจากอียิปต์มาไปเมืองไปทุ้งมาชาตนะิแล้วเราก็เดินจากเมืองเมืองไทยเนี่ยไปจากอุบลกรุ ง, งเคพเนี่ยเดินกันไปหมดอนะ่ะพอไปถึงทุ้งมาชาติปั๊บมีเสียงพูดบอกว่าอาดคิลูให้เข้าไปอยู่ข้างในไหนไหนครับอาเลฟิราวนวลวานของฟิรรนทั้งหมดรวมตัวฟิรรนด้วยอาชัดดาลาจะสู่การ ลงโทษที่สาหัสที่แรงอชาต์แปะ ว, ว่าฉดฉดเนี่ยอย่างแรงๆเลยนอนอยู่ในกูโบว์กภาวาทั้งคืนตอนเช้าภาวะตอนเย็นภาวาพอฟื้นขึ้นมามีเสียงพูดเอกจักมันเข้านรกนหม่มดหนาดิไม่เชื่อก็ได้แต่มปัญเพราะว่าอิสลามมันจะบังคับใครให้เชื่อรับแต่เรากลัวแล้ว ถึงว่านาบีเลยสั่งนะก่อนจะนอนให้ขออุทิศอัลลอฮฺเมเนอัสอัลุกาลุยันซอเดียบะตันร้อยละกาเดียบะตินนาฟิอาตันร้อยละดอรอร อ, รอัลลอฮฺจะให้ฉันฝันแต่เรื่องดีๆทุอย่าให้ฝันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็เรื่องกโกหกมันนอนไ้แล้วอนะ่ะถ้าตื่นมาตอนตึกตีสามเ่ยสามกันหลับไปน่ะอัลลอฮฺอักุบะ นบีนะ่ยเป็นห่วงเราจึงให้ขอให้เราสั่งให้ขอถูกอาตอนพอนอนเนี่ยให้ขออลัลลอฮ์จะให้ฉันฝันแต่เรื่องดีๆแต่ยา อ, ยาอาลอจากนี้จะฝันในเรื่องดีต้องแปลงฝันก่อนอาบน้ําน้มาด ก, ก่อนจะปัทิทนอนก่อนอ่านสามกุ้นก่อนแล้วก็ลุบมไปทั้งตัวแล้วก็ทําตามสุนาห น, นาบีถึงจะฝันดีถ้าเองดาสุนาห น, นาบีแล้วเองจะไปฝันดีได้ยังไองอันนี้เป็นตนัวอายะสุธาเนี่ยแรงนะ อันนา่ารยู่เราดูน่ะลฮะวดูของอาเซียไฟนรกจะถูกนำมาต่อหน้าเขาให้เขามองเห็นไฟทั้งยามเช้าและยามเย็นและในวันเตยมะวายาวมะเตยะวายาวมาตะาาตกูมุสสะและในวันฟื้นคืนชีพอัคิลูอาลฟิราลอชัดจาราบมีเสียงกล่าวว่าจงให บริวารของฟิล <laughs> ok, ิปปินส์ด้วยเข้าไปอยู่ในการลงโทษอันแสนสาหัสมีเสียงด่ามากจับเข้านรกให้หมดเสียงอะไรกันนบิเปนตันาแล้วนักินตัวนี้มราครับสุขานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะซุลลัลลอฮิอิลลัลลอฮัสซัลลาฮิกาวะดูมุฮัมมิดัสซาลลัลลอฮวะลาลัยมุฮัมมิดุลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิ